อาจารย์ครับกล่าวัสกา ร, กการครับผมจรรยพรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสามสิบเก้าครับอาจารย์ครับโอบกาสกรับอาจารย์เมื่อเช้าอาจารย์ไปบินธบุรคนไปใส่บาทตามปกติไหมครับผมปะกะติประมาณสี่ร้อยหกสิบแปคนสี่ร้อยหกสิบแปดคนทางบ้านอีกสองสารอยคนใช่ไหมครับประมาณนะประมาณ <c oughs> <c oughs> แล้วฟังธรรมนักุฏิเยอะัหมครับอาจารย์ครับเครื่องท่าอยประมาณ168 168คนครับผมรวมทั้งบ้านรวมที่ติดตามในบ้านก็718ครับผมตอนนี้ก็ไม่เลขแปดหนึ่งสรน่ดียวนเดี๋ยวคนดีใจเลขแปอาจารย์ครับตอนนี้ก็ฟังกันอยู่ประมาณสัก700กว่าคนครับผม วันนี้ผมตั้งหัวข้อเพราะว่าได้พระอาจารย์สอนอยู่เลยว่าเราโชคดีที่เราได้เจอพระพุทธศาสนาครับผมก็เลยตั้งหัวข้อแรกว่าคุณของพระพุทธศาสนาครับพระอาจารย์กอความกรุณารพระอาจารย์ให้ให้ปัญญาพวกเราครับผมก็สอนเราให้รู้ความจริงของโลกที่เราอยู่นี่ซึ่งเรามักจะสมกันเราลืมไปว่าความจริงของโลกเป็นอย่างไรและเราอยากให้โลกเป็นไปตามความอยากของเรา เราอยากให้มีแต่ความสุขความเจริญแต่เราต้องมาทุกข์เพามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากความจริงโลกนี้เป็นโลกที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งมีทั้งฌาเจริญมีทั้งเสือ่อมมีทั้งเกิดมีทั้งตายทั้งนั้นนี่ิืธรรมชาติของโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีภูมิปัญญาที่จะคอยเตือนใจสนใจเราให้ รู้ความจริงเราก็จะหลงเราก็อยากจะให้โลกนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีความเสือ่อมไม่มีความทุกไม่มีความตายแต่มันก็เป็นเหตุมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรารู้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสือ่อมรับกับความทุกข์ลับกับความตายใจเราก็จะไม่ทุกข์ มีตรงนี้ถ้ามีธรรมะธรรมะสอนใจให้เรารเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงในด้านลบที่เราไม่อยากจะต้องที่เราไม่ต้องการนั้นแต่เราต้องเจอกันทุกคนเราสอนวิธีที่จะทําให้เรารับความทุกข์ความเสื่อมความตายโดยที่ใจเราจะไม่ต้องทุกกัมัได้ด้วยการสานวิธีปฏิบัติธรรมนั่นเองเรให้เราทําใจให้สงบให้นิ่ง ให้ปล่อยวางให้เป็นอเวคาแลวเราก็จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเสือ่อมอยู่ความตายนะเวลานันปรากฏขึ้นมาอันนี้คือความพิเศษที่ไม่มีคําสอนที่ไหนในโลกนี้สอนกันที่จะสอนให้เจริญอย่างเดียวสอนให้สุขอย่ยเดียวใชถ้าไม่ไม่สอนแล้วแต่เวลามันไม่เจริญเวลามันเสื่อมจะทํำยังไงเวลามันทุกข์จะทํำยังไง พอถึงเวลากนะ็เลยไปแก้ปัญหา แ, แบบผิ ด, ผดยิ่งแก้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เอรามันมันมันมนันสิ่งที่หนือวิสัยเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ยันมาเต็มตัวเต็มใจเต็มรับกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันดีมว่าเพราะเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะต้อ ง, งเจอกัน จะท่านสอนสอนให้เราเราเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความบดภาคจากกันอยู่เรื่อยมาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องพ้นไปไม่ได้เรื่องราวเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ลงพ้นความตายไปไม่ได้แล้วมีการพ่ารางจากของรากของเจริญงใจทั้งหลายทั้งปูงไปเป็นธรรมดาลงพ้นไปไม่ได้ทำองไรที่เราจะทํอาเจมัมนแล้วทำให้ใจเราไม่ทุกข์ก็ต้องทำใจให้ิีง่ายสุดไม่มีปฏิกิริยาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับโดยดุษฎี มาแล้วมันก็เรารับยินฟ้าอากาินฟ้าอากาศเราก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลาน้ําจะท่วมมันก็ท่วมเวลาไฟไหม้มันก็ไม่เวลาอันดินไหวไมันก็ไหวแต่เราสามารถไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความจริงปล่อยวางมันจะ ด, ดีก็นบอเคย เราเตรียมตัวเตรียมใจรับคำมันนั่นเองใทยเราก็จะไม่ทุกข์ก็สรุประะก็คือโลกนี้โลกของของมันนิจจ์ไม่เทีย่ยงโลกที่เราไม่สามารถควบคุ ม, มคบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เป็นอนันตตาถ้าอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นแปตามความต้องการของเราเราก็จะต้องทุกข์กันที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะทุกข์เพราะความอยากของเราเอง อยากให้เศรษฐกิจเจริญรอย่างเดียวอยากจะให้มีแต่สิ่งที่ดีๆอยากให้มีสันติภาพไม่มีสงครามนี่มันเป็นไปไม่ได้มันธรรมชาติของโลกมันเป็นโลกที่มีแต่การขัดแย้งกันแข่งแยังชิงดีกันความทุกคมนก็เลยต้องตามมาพยายามศึกษา ความเชือ่อเราพยายามไปปฏิบัติธรรมไปทำใจให้นิดีให้สงบถ้าเรามีความสงบมีอเบกขาเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือธรรมะบุญเจ้าอาจารย์เคยบอกว่าพวกเราเหมือนถูกลอตเตอรี่แต่ไม่ไปขึ้นรางวัล น, นะครับอาจารย์ ไม่ปฏิบัติเนี่ยนะถูกัตเตอรเล้นการให้มันเกิดเป็นมนุษย์ได้มันพบกับพระศาสนานี่ก็คือี่ว่าในถูกวัตเตร์เหมรางวันที่หนึ่งนะถูกอย่างเดียวเมื่อพอต้องไปขึ้นรามวัลการขึ้นรางวัลก็ต้ไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเป็นสวัสดาบันแล้วสบายนะ ควมงมมโนธรรมโสดาบันในท่านยอมรับความแก่ความเจ็บความตายอย่อมรับกันคัดทอย่างกันได้แล้วเลยมีคนถามเรื่องพรโสดาบันพอดีเลยครับอาจารย์ครับ<ม>บอกพระโสดาบันยังกลัวผีอยู่ไหมครับแล้วเพราะอะไรจึงยังกลัวหรือว่าเพราะอะไรถึงไม่กลัวแล้วครับอาจารย์ไม่กลัวแล้วนะพระท่านรู้อย่ามาผีทําทำอะไรก็ทําที่ร่างกายใช่ทำร้ายร่างกาย ซึ่งร่างกายท่านรามันโดยตัวมันเองมันก็ต้องทําร้ายตัวมันเองอยู่ดีคือมันต้องแก่เจ็บตายของมันอยู่ดีนะแล้วท่านก็พร้อมที่จะรับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านเห็นเราไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้ามันได้ได้สามมันได้ได้ให้กระไรไม่กลัวให้ยอมรับความจริงทําใจให้เฉยหยุดความอยากความอยากอยู่เนี่ยมันทาให้เรากลัวตายกัน เราเราว่ามันอยู่มันมันตั้งการไม่อยู่ไปตลอดการอยากอยู่ก็จะทําให้มันต้องทุกข์ใจเวลาที่มันไม่อยู่งั้นก็ต้องปรับใจอยู่กับมันไปเท่าที่มันจะอยู่ได้ถึงเวลามันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปแล้วถามอีกครับอาจารย์ว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเป็นพระโสดาบันแล้วครับก็ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนะ ไปหาหมอหมอบอกเป็นมะไร็งขั้นสุดท้ายเดี๋ยวเวลาสามเดือนให้ไปเตรียมตัวเตรียมใจเขาบอกว่ากู้ เ, เตรียมมาตั้งแต่ไม่ตั้งเตรียมมาตั้งมาแล้วรอกอกอยู่เราอยู่แล้วนะเราคำทุก่างยินดีต้อนรับเยินดีต้อนรับผมนะเตรียมปูพร ม, มแดงใหม้มาเลยเชิมาเลยครับผม แต่ว่าตอนใกล้ตายก็ยังมีเจ็บมีปวดยังมีทุกข์อยู่ได้ไหมครับอาจารย์ครับก็นั่นแหละก็ต้องยินดีกับความเจ็บปวดของร่างกายนี่นะด้วยการฝึกนั่งสมาธิแล้วเวาเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายก็ไม่ไม่เปลีนน่ยนนิยามปรับใจให้อยู่กับความเจ็บปวดได้ได้เพราะต่อไปเวลามันเป็นโรคอะไรมันต้องเจอความเจ็บปวดที่เราห้ามมันไม่ได้ที่มันกาจัดมันไม่ได้ถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมัน ยังต้องมีต้องไม่กลัวความเจ็บต้องไม่กลัวควาตายก็จะเป็นภาพสวยงามได้จะเป็นได้ก็ต้องเห็นร่างกายเป็นอนิจจทุกขังอนันตตาเห็นไม่ใช่เห็นตามทฤษฎีเห็นทางการปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงตอนที่ร่างกายจะตายเนี้่ยมันจะรู้ว่าต้องตายแนมันเห็นเห็นชัดเจแล้วองตายก็ยอมรับอานตายไม่ฝืนไม่อยากไม่ตาย ค ว, ความเจ็บก็จะหายไปเจอความเจ็บเรื่องว่าฆ่ามันไม่ได้กาจัดมันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอยู่ได้ก็ไม่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายแต่เจอความตายก็มีอยู่ความเจ็บก็มีอยู่อ่านกันเอาที่ใจไม่กลัวมันใจ้าอยู่กับมันได้ด้วยอำนาจของปัญญาและอำนาจอำนาจของสมาธิควบคู่เป็นทั้งสองอยา่าง คุณคุณพัดสอนถามว่าเห็นความอยากเป็นคนเก่งอยากได้ความสําเร็จอยากมีอยากเป็นที่รักในตัวเราแล้วเกิดความไม่ชอบตัวเองความไม่ดีมันคือเราไหมครับยิ่งมองตัวยิ่งเห็นครับคือเราก็อย่าไปมองอย่างนั้นเสียนะมองสิ่งที่มันเป็นไม่ดีจริงตัวที่ไม่ดีจริงก็คือความอยากนี่อยากมีอยากเป็นพวตัวนี้มันสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา เราต้องคอยกําจัดมันเหมือนกับโรคชนิดหนึ่งเวลาที่เรามีเชื้อโรคเข้ามาร่างกายเราก็ต้องกาจัดมันะอื mm hmm. เราอย่าไปโทษร่างกายให้โทษจิตใจเราโทษเรื่ตัวที่มาสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกาย mm hmm. ก็คือเชื้อโรค mm hmm. ล้วก็ไปหาหมอหมอ ก, ก็หายามาให้กินพอกินเสร็จค่าเชื้อได้โรค ก, ก็หายไป mm hmm. ความอยาถูกจังเนี่ย ที่เป็นกิเลสนี่มันมันจะสร้างความทุกข์กับใจนราพอมันสร้างความทุกข์เราก็ต้องมากําจัดมันให้ได้เมื่อกำจัดมันได้แล้วมันก็จะหายทุกข์แทนที่เราจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลเราต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลเราต้องวิเคราะห์ไปว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ไม่ว่าเป็นความอยากนะว่าเรากําจัดมัน คุณพี น, นองบอกว่าสวดมนต์ขณะเดินออกกําลังกายครับจะสามารถสร้างสมาธิได้ไหมครับสร้างสติได้สมาธิน้ต้องนั่งอยู่เฉยๆนั่ไใ้นั่งนิ่งๆจิตถึงจะนิ่งได้ถ้ามีการเคลื่นนอนไหวทางร่างกายแสดงว่าจิตต้องทํางานเพราะจิตใจเป็นผู้ควบคุมเปนผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่นนอนไหวจิตยังต้องทํางานอยู่ฉะนั้นจิตจะนิ่งไม่ได้จิตจะนิ่งต้องอยู่นั่งท่าสมาธิ เห็นในพระพุทธรูปไปกีปามาเห็ท่านนั่งสมาธิเท่านั้นนะเนี่ศาสนาเขาสอนด้วยด้วยปริศนาธรรมแต่เราไม่ศึกษากันเองประกาบภาพแต่เรารูปนี่มีมีรูปไหนที่วิ่งที่เดินนั่นไม่มีมีแต่นั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่ยกวิ่งยืนยืนสมาธิก็ได้ถ้าอยากจะให้ใช่เขาสมาธิวิ่ยืนเฉยๆก็ได้ คุณดําครับบอกว่าขณะทํารรวิปัสนาหากเกิดวิปัสนูกิเลสขึ้นมาจะแก้ไขอย่างไรครับก็แก้ด้วยปัญญาเนึ่ยถ้าเรารู้ว่ามเป็นวิปัสณ์หแต่เราจะไม่รู้เสียปัญหาเพราะนี่เป็นวิปัสณ์หเพราะเป็นคนหลงหลงผิดเป็นชอบเนี่ก็ต้องให้มีคนฉลาดกว่ามาคอยเตือนมาเตือนต้จะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าง เทวท่านนี่ก็หลงตัวเองคิดว่าตัเองเก่งขเขาจ้าให้เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ป่อจากพระเจ้าพระเจ้าแก่แล้วให้คนหนึ่งทำงา น, นดีกว่าจริงไหมท่านพระเจ้าก็เลยบอกว่าเธอเป็นใครขนาดอัครสาวกสองคนเรายังไม่ตั้งให้เป็นผู้ที่มาเสื่ท่นันการเป็นสันตนาแ ล, แล้วเธอเป็นใครมาอย่างไรพูดแค่นี้ให้สติแต่กับโกรธขึ้นมา ว่าดูถูกดูแคลนนี้นี่เราวิปัสสนุ่มมั่งย่าคุณอมาราพรถามว่าการตายของทหารในสงครามหลังตายแล้วดวงวิญญาณจะไปไหนครับก็ไปตามบุญตามบาปที่เขาทำถ้าเขาทาบะทาบุญมากกว่าบาปเขาก็ไปสวรรค์ถ้าเขาทำบาปมากกว่าบุญเขาก็ไปอาวัย บางครั้งสวดมนต์ผิดวัดพอรู้สึกตัวแก้ไขในวักนั้นๆหรือควรจะไปเริ่มต้นใหม่ครับได้เพรานะนั้นไม่เป็นประเด็นสําคัญการสวดนี้เป็นการฝึกสติให้เราดึงสติกลับมานะที่เราสวดผิดเขาก็เราเพลิสติแนละ้แล้วก็สวดต่อจะเริ่มต้นใหม่หรือจะสวดต่อก็แล้วนันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือดึงสติกลับมานะทั้วนวันนี้สวดไปแล้วใจก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้มันถึงสวดผิด ก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเผอสติก็กลับมาตั้งใหม่ตั้งสติไม่ให้ตั้งต้นใหม่หรือตั้งอะไรใหม่ให้กลับมามีสติแล้วก็สวดต่อจะสวดต่อตรงไหนก็ได้ขอโอกาสครับถามความแตกต่างระหว่างอพยาปะชาโหตุกับอนิคาโหตุมันดูเหมือนกันมากเลยครับอพยปาชาโหตุมหมายถึงว่าม่เบียดเบียนเงน อย่ไปทําอะไรให้คนอื่นเขเสียหายเดืนอนนอนซึ่งยังไม่ได้ไม่ได้เถึงกับการไปค่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจเขาโดยตรงเช่นเร า, า จ, จะจัดงานเล้ยงฉลองก็ส่งเสียงดังคนข้างบ้านนอนไม่หลับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนเขาแต่ไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายและทําร้ายจิตใจของเขาโดยตรงเแต่ว่าทําให้เขานอนไม่หลับหรือไม่สามารถทําอะไรที่เขาต้องการจได้ เดือดร้อนไปสร้างความเดือร้อนใหกับผู้แต่ถ้าเป็นอนดีค้าของจุดนี้หมายถึงการไปทํำร้ายเขาโดยตรงเลยไปทำร้ายทุกตีเขาหรือไปด่าว่าเขาทําให้เขาเสียหายเขาให้เขาเสีย อ, อกเสียใจใ่ยต้นอันนี้เรียเป็นอันดีค้าของตัวถ้าอยากบรรลุโสดาบานันเบื้องต้นต้องทําสมาธิทั้งวันทั้งคืนหรือไม่ครับ ต้องทำส ต, ติทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นั่งให้มากที่สุดจนกว่าจิตจะโลนเรมีอุเบกขาสามารถสังใจให้เฉยได้เวลาเจอเวลามีกิเลส ข, ขึ้นมาก่อยความอยากขึ้นมาแล้วหยุดมันได้ได้ถ้าหยุดความอยากได้ก็สามารถเป็นโสดามันได้หยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายความอยากไม่พลัดพากันได้ มักจะเห็นความไม่ดีของคนอื่นความประจบเอาหน้าไม่จริงใจทําให้หงุดหงิด ต, ต้องเปลี่ยนความคิดเราได้ยังไงครับก็เป็นนิสัยของกิเลสจะเป็นอย่างนี้เสด็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความดีของเราแม้เท่าผมทุเ่เลก็เหมือนกองเท่าภูเขาความดีของคนอื่นแม้เท่ากองภูแม่ใหญ่เท่ากองภูเขาก็เหมือนผมทุง่งเลยมันจะมองแบบนี้ในทางการความเชื่อของเราแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เหมือนผมทุง่งเล ความช่วยของคนอื่นไม่จำเป็นเพียงองธูวเองก็ไปมองว่าเป็นทางกองกองผูกขังแล้ต้องกลับมามองตามความเป็นจริงมันจะเข้าข้างตัวเองเองเราไม่ผิดเราเขาผิดเรนชนรถชนกันแล้วก็ยังไม่มีใครมามาพิสูจน์หลักฐานเลยต่างคนต่างว่าเราไม่ผิดก็ต้องคูด เพื่อนนั่งสมาธิบอกว่าจิตแช่แข็งคืออะไรและจะแก้อย่างไรครับไม่ต้องแก้เขาว่าแช่แข็งนั่นเร่งนิ่งสงบเป็นอจิตแช่แข็งไม่เคลื่อนไหวไม่มีความเคลื่อนแต่อันนี้มันเป็นสรรพนามไม่เป็นการใช้วรรคพูดอธิบายว่าจิตสงบจิตนร่งเป็นอย่างนี้แช่มันแช่แข็ง คุณรุ้งครามครับบอกว่าความเสียสละชีพของทหารเพื่อปกป้องประเทศจะเกิดบุญกุศลกับวีรบุรุษเหล่านั้นไหมครับมันก็ไม่รู้เหมือนกั น, นว่าเป็นบุญหรือเปล่าการอาจจะเป็นก็ได้นะว่าเราเสียเสียสละชีวของเราแต่บาปที่เราทําเนี่ยแล้วแต่ว่าบุญกับบาปขนาดมันจะมากเหกัน ขณะนอนแล้วท่องพุทโธครับพอลืมตาขึ้นมาเช้าแล้วทําไมเหมือนแป๊บเดียวเองแบบนี้คืออะไรครับเวลานี้มันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเจ้าภาพขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงเหล้าแขกมาร่วมงานแล้วแขกในงานทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายในงานเจ้าภาพจะได้รับบาปเท่ากับคนฆ่าหรือเปล่าครับเพราะว่าต้นเหตุมาจากเจ้าภาพเลี้ยงครับ ไม่หรอกค่านะ่ะมันเป็นคนที่ก็เจ้าภาพไม่มีเจตนาที่จะให้คนมาฆ่ากันมาให้มีความสุ ข, ขสสกันมาช้างสารกันนะั่นไม่บาปเลยเจ้าภาพไม่มีไม่บาปนอกจากว่าถ้าเจ้าภาพมีมีมีเจตนาที่อยากใช้คนมาฆ่ากันเนี่นถึงจะบาปการงานเพื่อจะเอาคั้วอะไรมาเจอกันอยู่ เมื่อตายแล้วหากจะได้ไปนิพพานจิตจะออกไปทางใดครับจิตไม่ออกไม่เข้าจิตมันไม่มีรูปมีร่างมีร่างกายมันอยู่กับที่ตลอดเลยนะมันอยู่ในมิติหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิศมันไมเคลื่อนไหวมันไม่เคลื่อนไหวแบบร่างกายเคลื่อนไหวมัแบบนเคลื่อนไหวด้วยความคิดปรุงแต่ง พระอาจารย์ครับเพื่อคนที่นั่งสมาธิแล้วจะเข้าใจจะรู้แบบนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ยังไปจะงต้องเข้าใจจริตความเกิดความจำนำถึงถ้าเราเลือกผู้แทนเข้าสภาแล้วผู้แทนเขาไปทําไม่ดีเราต้องไม่ส่วนรับกรรมที่เขาทําด้วยไหมครับก็ขึ้น อ, อยู่ว่าเราทําสัญญากับเขาไว้ยังไงถ้าหอกว่าฉลศูนยนเปิ ไปเขียนให้เขาทุกอย่างตามที่เขาต้องการได้แสดงว่าเราก็มีส่วนมือถือถังนับถังของเขาแต่ถ้วเราส่งเข้าขไปเพราะเขามาหาเสียงว่าเขาจะไปทำํำผลประโยชน์ให้กับประเทศแล้วเขาไม่ทําเลยเขาเป็นคนคนคนที่เป็นผู้แทนเป็นคนทําบากรับกลับคนเดียวมาไปโกหกหรอกลวงชาวบ้านเขาแล้วไม่ทำตามที่เขาไม่สัญญาวไว้ เหมือ น, นเราจ้างคุณหมอให้ไปทำงานให้แล้วคุณหมอไม่ทำนี่แต่รับเงินไปก็เป็นการหนอกรวงช่อชวนนี่หอลอกลงงครั้งใจเบาสบายไม่มีความคิดมีสติตลอดเวลาคืออะไรครับแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็คือใจนิ่ง ก็พยายามทำอย่างานี้ให้มันเป็นไปได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับใจจะได้มีความสุขและไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากลำบากเมื่อเงินทองหามาเท่ากองเท่าภูเขาก็มไม่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบมุจิตไม่ได้คนที่ขายเหล้าขายเบียเปิดผับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ไม่อะไรเขาเรียก ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นสมาอาชีพก็ไม่บาปนอกจากถ้าตอนเองดื่เองเป็นยามบากเขายังดืมชาลาก็ยังไม่บาปชาลามิเป็นอา บ, บายมุกคือจะดึงให้จิตเข้าสูปา่ประตูเข้าใกล้ประตูสู่อาบายพราะเมื่อเราดื่มชาลราระระเมื่จะควบคุมสติไม่อยู่ พอกดขึ้นมาก็อาจจะลำบากมาด้วยวาจาหลือการกระทาที่ที่ทาให้พู้เสียหาเดืนอนร้อนถึงจะเป็นบาถ้าเดือดร้อน้วะละละนอ น, น ไ, มไม่เป็นไรเป็นยานอนหลับเนี่ยมาเดี๋ยวนอน ก, กินทั้งคนหนึงเลย <laughs> แล้วเข้านอน <laughs> <laughs> นอนไม่ลัแต่ก็ผิดศีลอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ผิดแต่มันไม่ไไปทํารักอ่นมันคิดสี่ข้ห้าแต่มันไม่มันไม่มันไม่เป็นบามันเป็นอบายยมุกครับผมมันไม่ไม่ส่งให้อราปอบายมันส่งไปแค่ประตูอบายยมุกทางเข้าทางเข้าออกมาครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเป็นผู้พิการทางจิตใจไม่มีใครครบ พ่อแม่รังเกียจผมจะวางใจและดําเนินชีวิตยอย่างไรถ้าเราต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครเลยให้มีความสุขครับครูเจ้าสอนว่าถ้าเราไม่สามารถหาใครอยู่เป็นเพื่อนกันได้เราก็อยู่ของเราไปนคนเดียวดีที่สุดหากอยู่คนเดียวการจะอยู่คนเดียวได้เราต้องอมีความสุขใจเป็นหลักถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งใครมาให้ความสุขกับเราพยายามปฏิบัติ สนาธิให้มากทําจิตให้รวมให้มีความสุขให้เกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้การสวดมนต์ข้ามปีที่วัดถือศีลได้บุญเท่ากับสวดที่บ้านหรือไม่ครับมันก็ขึ้น อ, อยู่กับผลนะ่ะว่าสวดแล้วสงบไม่สงบถ้าสวดสงบก็ได้บุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญ แล้ว่าจะสูตรที่ไหนก็ตามคนที่ชอบโกหกประจำจนเป็นนิสัยแก้ไขไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะกรรมชาติที่แล้วหรือไม่ครับแก้ได้แต่ยังไม่ไม่อยากจะแก้มากกว่าไ ม, ม่แก้ไม่ได้ อาจารย์ครับมีท่านคุณกุญจิลาเขาพูดแตะจิ๋วเขาบอกว่าอ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วรู้ว่าพระอาจารย์เคยอยู่กับมาพอฟังแตะจิ๋วได้ถ้าลูกขอกราบอาจารย์คุยกับพระอาจารย์เป็นแต้จิ๋วว่าจะแม่กุ้ยเตรียมอุ๊บพระอาจารย์อย่างพอฟังเข้าใจไหมครับอย่นี้ไม่เคยไม่เคยใช้เลยมันจะเข้าใจบางคำเพราะอะไรนะให้พูดกับพูดไหมหอ่ออครับผมอันนี้องเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะเข้าที่การทำงาน เรนถามครับถ้าบรรลุโสดาบันจะไม่อยากหรือโลภที่จะได้ตําแหน่งใหญ่ๆโตๆไม่อยากได้เงินได้ทองมากกว่าการปฏิบัติธรรมหรือแบ่งเวลาให้การปฏิบัติสมาธิธรรมมากกว่าใช่ไหมครับใช่จะต้องการเพิ่มการปฏิบัติให้บรรลุถึงคําขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับและไม่สนใจเรื่องทางโลกต่อไปนะพระโสดาบัน อยากถามว่าจิตกับใจอันเดียวกันไหมครับบางคนสอนว่าใจเที่ยงเลยออกจากงงๆครับอันเดียวกันจิตใจนี่หมายถึงผู้ท่านรู้ท่านรู้คือจิตใจซึ่งบางทีเราก็เปลี่ยนเราใช้คาว่าจิตเวลาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความคิดต่างๆนะเรื่องของใจาจะพูดถึงเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ใจเศร้าสงกเสียนใจเราก็ใช้คาว่าใจ ใจฟุ้งจิตฟุ้งช่านเอะหมายถึงเราจิตคิดโป่งแตกมากเกินไปแต่มันตัวเดียวกันเหะออว่าเราอาจจะใช้ตาลักษณะกันเคยฟังคลิปธรรมะบอกว่าศีลข้อที่ห้าสำคัญมากเพราะจะทำให้ปิดศีลอื่นอีกสี่ข้อเพราะไม่มีสติอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องมาถึงบอกเราแล้วไม่ให้ขับมาเราไปขับรถเดี๋ยวก็ชนกันตาย คุณวันเพ็นบอกว่าลูกเคยไปฝึกกรรมฐานที่สถานปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดแล้วเห็นนิมิตภาพพระประธานบนสรารู้สึกปิติสุขมากลูกน้อมนำภาพไว้ในใจเวลาพุโทโธเวลาใกล้จะตายเป็นที่พึ่งของใจกราบขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับถ้าทำให้ใจเราสุขให้ใจเราสงบได้ก็ใช้ได้พระโสดาบันจิตยังอยากไปทาบุญถวายทานกับพระสงฆ์หรือเปล่าครับ เพราะฉะนั้นมันจะมุ่งไปสู่ทาที่สูงกว่า น, นั้นคือการตัดการมาราคะที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ในกับใจในการทำบุญทาทานนี้ท่านท่านคือถ้ามีโอกาสก็ทําได้นะแต่ท่านนึกแตส่วนใหญ่ท่านตั้งเป้าไปที่การกำจัดสังโยช์ที่ยังเหลืออยู่อีกเจ็ดข้อด้วยกันที่อยู่ในใจของท่าน คุณไว้โลตัสคับขอโอกาสครับขอพระ อ, อาจารย์ช่วยอธิบายว่าถ้าช่วงไม่ได้นั่งสมาธิการบริกรรมเทียบกับการดูร่างกายเคลื่อนไหวอย่างไรจะดีกว่ากันได้ยินว่าบริกรรมคือทำบัญญัติไม่ใช่ดูสภาวะประมัตร์แต่ความจริงแล้วการบริกรรมช่วยประยุกจิตให้มีสติได้มากกว่าการดูร่างกายเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะสำหรับคนสติอ่อนใช่ไหมครับถูกต้อง การบริกรรมนี่เพื่อการหนึ่งนี่จิตให้มีสติหนึ่งจิตให้ไม่ให้ไปคิ ด, ดเรื่องอื่นั่นเองบางทีดูเฉยๆมันยังเพลิดไปคิดได้เฝ้าดูร่างกายอยู่แต่มันก็วักไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ไนะด้บางทีต้องใช้สักงสองอย่างช่วยกัยนก็ไดนะ้กําลังเดินไปก็รู้ว่ากําลังเดินแล้วก็พุโทโธไปด้วยก็ ค, คู่กันไปก็ได้ การพยายามบริกรรมตลอดเวลามีข้อเสียอะไรไหมครับเช่นจะไม่ก้าวหน้าเพราะติดคำบัญญตัติแล้วถ้าใช้บริกรรมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งจิตตั้งมั่นคำบริกรรมจะหายไปเองได้โดยไม่ต้องเจตนาหยุดใช้คำบริกรรมใช่ไหมครับคือไม่มีความเสียหายการใช้พุโทโธในการบริกรรมนี้เป็นการทำจิตให้นิ่งให้สงบให้มีสติแล้วท้าต่อไปเมื่อมีสติแล้วก็ไม่ต้องอาศัยการบริกรรมก็ได้พรามีสติ ก็คุมความคิดได้พอพอรู้ว่าคิดก็หยุดมันได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้คําบริกรรมครับแล้วถ้าต่อไปจิตตั้งมั่นแล้วคําบริกรรมจะหายไปเองใช่ไหมครับอาจารย์ง่ายเลยตั้งมั่นก็นคือมีสติแล้วางมีสติก็ใช้สติได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้คาบริกรมามารมถ้าให้มันนิ่งได้ปุ๊บก็ถือว่ามีสตินะ <Okay. S 1> พอจิตฟุ้งท่านบอกให้หายฟุ้งบ้างมันก็หยุดฟุ้งได้ แสดงมีสติถ้าสั่งเราให้มันหยุดมันยัไม่ยอมหยุดเหมือนดื้อเราต้องใช้แสดงสติยังมีกําลังไว้คงก็ต้องใช้บริกรรมบริกรรมมาให้มันหยุดถึงศีลแปดอยู่ที่บ้านนับเป็นการบวชในคำอ่าได้ไหมครับได้มันไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่วัดนะถึงแต่ว่าสถานที่มันก็จะทำให้การรักษานี้มันง่ายหรือยากกัน เราอยู่ในที่ที่มีเสียงรบกวนใจยุ่ยวนใจมีรูปเสียง ก, กินรดต่างๆมันก็จะยากกว่าถ้าเราไปอยู่ที่มันไม่มีถ้าเราไปอยู่ที่วัดหรืออยู่ตาป่าตามเขาสถ า, านที่ที่ห่กกางไกลจากแสงสีเสีาการรักษาเนี่ยที่บ้านมันก็จะง่ายกว่ามันกับ ก, การรักษาพยาบาลที่บ้านกับที่โรงพยาบาลการรักษานในโรงพยาบาลมันยากกว่าเพราะมีเครื่องไว้เครื่องมือครบกวา่าอยู่ <S <S ยที่บ้าน แต่การรักษามันอยู่ที่ใจรักษาเนื้าของบานนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่บ้านก็ ร, รักษาได้อยู่ที่วัดก็ ร, รักษาได้แต่ยากง่ายอาจจะต่างกันคนที่ปฏิบัติสีลห้าได้ครบและใช้และชีวิตเดือดร้อนประจำเช่นชอบโกหกหลอกลวงหรือดุมสุราเป็นเพราะกรรมของตัวเองหรือไม่ครับ ถ้ารักษาสินะได้ห้าข้อมันก็ไม่ทำไม่ก็มันก็ไม่โกหกอย่างหนึ่งไม่เดือดรายอย่างหนึ่งไม่ทราบคำคำถามนี้เป็นมันขัดกันอาจจะรักษาได้สามข้อแต่อีกสองข้อนี้รักษาไม่ได้ไม่ยอมโกหกอย่างเดือวร้ายแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทักทรัพย์ไม่เอาผูดสิดในการแต่ละข้อมันไม่มันเป็นกรางกันรนะเนี่ยถ้ารักษาข้อหนึ่งได้เราจะรักษาอีกอีกสี่ข้อได้ ทำไมเราต้องพยายามเข้าใจคน อ, อื่นบ่งได้ปะคนที่ทําไม่ดีครับบางครั้งมันยากและเ อ, อือดมากกว่าสบายใจครับก็เราจะได้ไม่เป็นทุกเนี่ยที่เราทุกเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราถ้า เ, าเข้าใจว่าเขาเป็นส้ ม, มอย่างนี้แล้วเราอยากให้เขาเป็นกล้วยเนี้มันก็จะทำให้เราทุกข์กับเขาแต่เราต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเป็นส้ม ให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้ก็ยอมให้ก็เป็นซ่อมไปยอมรับความเป็นจริงของเอาไปแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราอยากฝึกสติสมาธิให้เกิดปัญญาถือเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นธรรมราอยากจะได้การปฏิบัติทำนี้ถือว่าเป็นบางอย่างในธรรมนี้เป็นไม่ถือเป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นเครื่องมือดัดกิเลส ติดสงบเจอคนแล้ววุ่นวายทาอย่างไรดีครับก็ทำให้ก็ ท, ทําติดสงให้ใช่ให้สงบนะมันก็ไม่วุ่นวายที่ที่วุ่นวายเพราะเราไม่ทาให้มันสงบเราปล่อยให้มันวุ่นวายให้นมาแล้วเราต้ปฏิบัติให้สงบได้ทั้งขณะที่อยู่คนเดียวและขณะที่เราเจอคนด้วย ถ้าเราเป็นคนไม่ถือศีลไม่ทําบุญไม่นั่งภาวนาแต่เป็นคนไม่กลัวตายแบบนี้เป็นโสดาบันได้ไหมครับก็ถามตัวคนเองแล้วกันเพราะส่วนใหญ่คนทำโสดาบันนี้ยังไม่ทํำบาปใดๆค่ะนจะมุ่งไปสู่การภาวนาความว่ า, ว า, วายังมีงานที่ต้องทำต่อความไม่กลัวตายแบบมันแบบแบบไม่มีเหตุมีผล น, นี่ยังไม่ถือว่าเป็นโสดาบันได้ต้องมีกต่อยเพราะ เพราะรู้ว่าตายเป็นสิ่งที่เราดีเรล็กไม่ได้เพราะรู้ว่าสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเราของเราเราต้อเห็นตายรักด้วยเห็นตายรักเห็นร่างกายเป็นตายรักเห็นร่างกายเป็นอนิจจางเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ ต, ตัวเราของเราถ้าอยากให้มันเป็นเราของเราอยากให้มันไม่ตายเราก็จะทุกข์เพราะเห็นแบบนี้ถึงจะเป็น ส, สุนารมันได้ พยายามฝึกนั่งสมาธิแต่ความคิดไม่นิ่งขอวิธีฝึกปฏิบัติครับมันต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องมันเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอาจ า, ารยมาเจริญสติได้ทั้งหมดจะใช้กบบรรมวิการก็ได้หรือจะใช้การปลอบด้วุเรียบทต่างของร่างก า, ายก็ได้ถ้าเราฝึกสติมาก่อนเวเรานั่งสมาธิจิตจะนิ่งได้ ง, ง่ายกว่า ความอยากในแต่ละวันมีขึ้นมากมายบางครั้งก็รู้ตัวบางครั้งก็ไม่รู้ตัวจะมีวิธีควบคุมความอยากให้เหลือน้อยที่สุดจนเหลือแต่เป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้นได้อย่างไรบ้างครับก็ร เ, บเริงมต้นก็ฝึกสติถ้าเรามีสติเราเราจะเริ่มเห็นความอยากที่ปรกากฏขึ้นมาในใจของเราพอมันปรกากฏขึ้นมาเราก็ใช้สติหยุดมันแต่ท้าการใช้สติหยุดมันก็จะหยุดมันได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราว ถ้ า, าอยากจะยุนมันอย่างท้าวาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์เมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราก็จะไม่อยากได้ต่อไปสินแสประจําครอบครัวทักว่าปีหน้าเป็นปีชงไม่จําเป็นไม่ให้เดินทางจะมีอุบัติเหตุรู้สึกกังวลจะต้องทําอย่างไรครับยินดก็นํา ต้องต้องบริษัทต้องต้องไปจ้างให้บริษัทที่เกี่ยวกับการเดินทางให้ยุติการดำเนินาการทั่วโลกเพราเดี๋ยวตายกันหมดนะ่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแอกนี้ก็เดินทางไม่ได้เลยบนเครื่องบินก็เดินทางไม่ได้รถยนต์ก็เดินทางไม่ได้ก็ต้องหยุดการเดินทางทั้งหมดไม่ใช่จะเปขอเราคนเดียวใช่ไหมันปมมเป็นชงว่าหมายถึงเป็นก็ต้องเป็นกับทุกคน คนในครอบครัวพูดใส่ร้ายเราเราไม่มีโอกาสอธิบายเราจะทําอย่างไรให้ใจเราสงบครับก็ให้รู้ว่าเราไม่ได้ร้ายทําให้กขาพูดกันแล้วลร้ายเขาเล้วในวันเราเป็นควายเราก็ไม่ได้เป็นควายหรไม่นั้นต้องไปชี้แจงอะไรครับใช่ไหมให้รู้ความจริงของเราก็าแล้วกันว่าเราเป็นอย่างไรถ้าเราผิดตามที่เขาพูดเราก็มาแก้ไขตัวเรเด้านนี้ทั้งแก้ไขตัวเราให้ถูก ไม่ต้องชี้แจงให้กับใครถ้าก็บอกว่าเราผิดแต่เราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องทาอะไรขอากาสพระอาจารย์สอนเรื่องการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมว่าจะพิจารณาอย่างไรให้ถูกต้องครับาก็มันก็ต้องพิจารณาทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมอนั่งกายเป็นไตรลักษณ์เวทนาเป็นไตรลักษณ์จิตเป็นไตรลักษณ์ ทักมาเป็นตายรับคุณคุณพัดสอนบอกว่าฝันเห็นแต่ศพงานศพลงศพไปวดัดอยู่วดัดปล่อยปลาเห็นพระแบบนี้คือฝันร้ายไมครับหรือควรใช้ทําข้อไหนครับถ้ามันนั่งปฏิบัติถามว่าถือว่าเป็นฝันดีเป็นการจเจริญนานานสติให้เรานล่าถึงการตายเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่าง คนว่าวันหนึ่งเราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปทั้งหมดถ้ายึดติดเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดติดเราก็จะไม่ทุกข์นั่งสมาธิแล้วเหมือนอยู่ในอวากาศเห็นดวงจิตที่นิพพานที่ไม่ไปเกิดสุขจนไม่อยากไปไหนอีกอย่างนี้คืออะไรครับเราไปเห็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเราปรุงแต่งจิตมันไม่ได้บอกว่าเป็นนิพพานหรอกเราไม่ปรุงแต่งว่ามันเป็นเอง ภสษาลาวยังเป็นความคิดปรุงแต่งอยู่มันยังลงอยู่อย่าไปหลงที่ว่าจิตสงบนี้เป็นนิพพานเพราะมันยังไม่เป็นนิพพานมันยังมีกิเลสอยู่มันยังไม่ได้กาจัดกิเลสในกิเลสยังไม่ได้แสดงตัวออกมาทั้าเวลาที่จิตสงบก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเทน้อย่าไปวิาพากวิจารสิ่งที่ปรากฏในขณะที่เราปฏิบัติ เราเป็นผู้บริหารโรงงานถ้าลูกน้องเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่ลูกน้องไม่ระมัดระวังในการปิดเครื่องจักรก่อนเข้าไปแก้ไขางานทำให้เกิดอุบัติเหตุคำถามคือเราเป็นผู้บริหารเราบาปไหมครับและเราจะแก้ไขป้องกันอย่างไรให้ลูกน้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาในการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับเรไม่บาปเรา้ราไม่มีเจตนาที่ทำให้เขามีอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องส่วนวิสัยเรื่องเรื่องการขาดสติของเขาเอง เมื่อเราจะออกจากสมาธิต้องทําอย่างไรหรือต้องกล่าวอะไรไหมครับไม่ต้องโอกเคแตนะ่ทาความเข้ า, จากจตอนนี้เราจะเราจะเราจะไม่ไม่นั่งนะเราจะลุกขึ้นไปทําอะไรก็ให้มีสติตามต่อไปด้วยไม่ใช่พอเลิกทำสมาธิก็ทิ้งสง ต, ติไปเลยสติที่เราเคยทําใจให้สงบเรายัางต้องรักษาต่อไปจะพุโทโธไปก็ได้จะเฝ้าดูอุปลยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ผมเป็นหนี้ดิ้นรนหาเงินใช้หนี้และดำรงชีวิตบางครั้งซื้อหวยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปครับจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดยืนวิธีแก้ปัญหาที่จุดยืน ก, ก็คืนทรัพย์สินที่เราเป็นหนี้ให้เข้าไปมีรถยนต์มีอะไรที่เราซื้อมาผอนก็คืนเข้าไปหนี้ก็หมดก็าอาจจะเก็บทรัพย์สินไว้อยู่่พยายามที่จะไปเล่นการพ น, นันไมเสีย่ยงโชค วันนี้จะทำให้เรานี่อาจจะเนื้อหลังมากกว่าก็ได้เพรานยอ้ยอนย้อตัดตัดความสูญเสียไปตัดสิ่งที่เราไม่ใช่เป็นของเราไปดีกว่าเราซื้อบ้านมาแล้ ว, ลวเป็นหนี้เพราะบ้านก็ให้เขายึดไปแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้รถก็เหมือนกันก็ขึ้นรถเมยก็ได้นี่มันก็จะหมดเอง หนุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับอนาคตไม่มีคุณยายแล้วเราต้องถวายหลวงพ่อเทศนิมิตแทนคุณยายหลานเอาบุญให้คุณยายได้ไหมครับก็เราสามารถใส่บาตรทำถวายทานให้กับพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าได้แล้วก็ส่งบุญมาให้คุณยายได้แต่ถวายกับถ้าเป็นพระพุทธรูปนี่ยังไม่ได้บุญถ้าเราอาหารรวางไว้ที่หน้าพระพุทธรูปจุดธูปเทียนสามหลอดนี่มันยังไม่เกิดบุญขึ้นมา มันจะเกิดบุญนออาหารนี้ไปใส่มานไปถวายพระไปให้ขอทานกัไนนะ้แล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่น้องรับไปแล้วไนดะ้การนั่งภาวนาสมาธิกับวิปัสสนาต่างกันยังไงครับงานทำสมาธิเป็นการทำใจให้นิ่งในสมอไม่คิดตุ่มแต่การวิปัสสนาเนี่ยเป็นงานใช้ความคิดคิดเพื่อให้เห็น ความหลับควา ม, มจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแล้เป็นอนิจจกทุกขงังอนตัตตาถ้าเราให้เงินแม่เพราะว่าเราคิดว่าเป็นหนี้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลแม่แต่ในใจลึกเราไม่อยากทำเพราะเหนื่อยมากเบื่อต้องฟังแม่บน่นเราคิดไม่ดีเราไม่ได้ทาด้วยใจจริงๆเรายังได้บุญไหมครับหรือได้บาปเพิ่มขึ้นไหมครับเราก็ได้เพราะอย่างนั้นเราก็ได้เอาชนะความดันเเมา แต่เราอยากจะไม่ได้บุญแบบสมบูรณ์เรายังไม่เห็นบุคนของพ่อพ่อแม่ที่มันบ้ามาหลังเงินทองที่เราจะให้กับพ่อแม่ของเราการพระเจ้าบอกบุญนของพ่อแม่เนี่ยมีมากเราให้ลูกแบกบพ่อแม่ไว้บนไหลคนบาเรื้องท่านอยากยให้ท่านอาจาุจจาระตะว่าใส่ร่างกายบุญที่ท่านมีกับเรายังใช้ไม่หมดถ้าอยากจะใช้ให้หมดก็ต้องทำให้ท่านเป็นพระโสดาบาันใหได้ ท่านจะได้ไม่นอนใบเกิในใบเกิดไปนอนตื่นกลางดึกชอบได้ยินเสียงดนเสียงคนเรียกชื่อชื่อเราสะดุ้งตื่นทุกครั้งคิดได้ก็แผ่เมตตาอย่างนี้ทําถูกหรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นบ่อยเลยครับไม่รู้ว่ามันเป็นเฉยๆไมพอไม่ต้องทําอะไรมันเป็นอาการของจิตม่ทำอะไรก็ได้ไม่ทําอะไรก็ได้ถ้าเป็นนักวิปัสสนาการู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกินแล้วดับไปนั่นเองก็นนะ เป็นราตาเป็นนิจกรชาญกับยานมีความแตกต่างกันอย่างไรครับชาญคือความสงบเป็นสมาธิยานคือการย้ายการอย่างรู้สัจธรรมความจริงเช่นอริยสัจสี่นายรักอันนี้เป็นยานเรีก่กาปัญญา คุณสิริพง์บอกว่าฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วสรุปว่าเราเกิดมาเพราะมาเสบรูปรดกลิ่นเสียงแต่พระอริยะบุคคลท่านมีปัญญาว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านเลยมารักษาสติปล่อยวางกิเลสทั้งปวงแทนผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องมาเสกความสงบแทนความสงบนี้มนไม่ได้เป็นเรื่องททุกกาลน่าตา ปกติอยู่บ้านสงบสุขทําบุญฟังธรรมทานตามโอกาสแต่พอเริ่มเข้าวัดเห็นผู้คนพระประพฤติและพูดจาไม่เหมาะสมใจเราขุนเรายังควรไปวัดต่อหรือไม่ครับเราก็ไม่วัดที่มีแต่คนที่เป็นคนดีคนที่ปัจพุธไม่ดีเราก็อยากไปคบกับเขาพระเจ้าบอกให้เลือกครบคนให้เขาบัณฑิตอยากไปครบคนพานถ้าเราจอคนพานปัจพุตตนไม่ดีเราก็อยากไปค ร, บบรอครบฆ า, า, า, า, า, า, า, าสมาคมเขา เรื่ว่าที่มีพระที่ดีปัจจบัติดีปัจจุบันชอบเรื่องเหล้าลูกมีเหล้าที่ซื้อเก็บไว้แต่ปัจจุบันหันมาทางทำแล้วและจะยกเหล้าให้คนอื่นไปลูกจะบาปไหมครับเอาไปเททิ้งดีกว่าเพราะว่าให้ให้เขาไปในรอบหนึ่งมันเมาก็าา จ, จะไปทําบาปได้เม่อเราไม่มีเจตนาแต่เราก็เป็นกา น, นการสนับสมุนโดยทางอ้อม ยิ่งีดีเสีย ก, ก็ไปเท็นะ ว, ว่ามันเป็นบรญญาพิษนะครับสุราไม่เป็นพิษทั้งทางร่างกายและพิษทางจิตใจการฟังธรรมได้บุญไหมครับอาจารย์ได้ใีอภิสมัยห้าข้อหนึ่องประโยชน์ห้าข้อในการฟังธรรมหนึ่นนอนอ ง, ง, งจะได้ยินในความธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้รัง สถ้าเราเคได้ยินได้คํามธรแล้วถ้าเราได้ได้ยินได้ฟัาซ้ําอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตางเมสามจะทำให้เราความสงสยัยต่างๆหายไปได้สี่จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทําให้จิตสงบสงสัยในความสาุขทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติดวงวิญญาณนั้นกล้าจะได้รับบุญที่เราทําไปให้ไหมครับ ก็ที่ว่าเราเราเราล้วนเข้าเป็นใครหรือเปล่าถ้าเราอุทิศแบบกว้างๆนี้มันก็จะได้หรือเป่าน่าจะได้นะครับผมว่าอุทิศให้กับทานเพราะนั้นคนนี้ที่ตายไปครับผู้ที่เปิดคลินิกความงามทําการตกแต่งหรือทําสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าให้สวยงามให้ดูไม่แก่แบบนี้ถือว่าควรทํำไหมครับเป็นสัมมาอาชีพไหมครับ มันก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดืนอนรอนนะมันก็ทำก็ได้ไม่ทํำม็ได้วิชาชีพคือ ก, การทําอาชีพที่ทําให้คนหนึ่งเขาเสียหายเดือดรอนเช่นขายสุราคนซื้อสุราไปเด่มแล้วก็ไปมึนม า, าไปทําร้ายผู้อันนี้ไม่ควรทําแต่ทำอาชีพเสริมความงามมัทงงนทําเสืงง้อผ้ า, งงาให้เราเสริมความงามด้วยวิธีการหลายแบบใช่ไหมเสื้อผ้าก็เสริมความงามได้ พวกเครื่องตกแต่งทั้งหลายเช่นแหวนทอสร้อยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องตกแต่งเสริมความงามดังนั้นของเรานี้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นผิดไม่ได้เป็นไม่ฉาชีพอะไรการฆ่ากันตายในสงครามถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับเพราะไม่ได้เจตนาแต่ต้องป้องกันตัวป้องกันประเทศชาติครับไม่มีเจตนานั่นยิงให้เขาตายนั่นต้องตายหน อันนี้ไนะม่ว่าจะมันจะมีเรื่องได้หรือว่าเราไม่เป็นเจตนาเราไปยิงไปส่งสี่สห้าหรือเปล่าหรือเรายิงใครแลก็ต้องเจ้ามันยิงให้มันตายอย่างนี้ไหมยิ่งไปยิงเขาทาไมถ้าไม่อยากให้เขาตายแล้วก็อยาเอากระสุนปาบใส่เข้าไปก่อนนอนพาแม่สวดอิติปิโสและหวีผมแม่ไปด้วยแม่นอนติดเตียงคิดว่าสวดแล้วแม่จะได้หลับหนูบาปไหมครับไม่บาป เกไม่มีโอกาสมรรู้ธรรมจริงไหมครับไม่จริงครับอยเป็นเทศไหนก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้ามีสติปัญญามีสมาธิมีสิ่งอุย่ยมือชาเป็นตลอดเวลาจิตรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างช่วงทํางานจิตอยู่กับงานนึกทันก็มารู้ว่ามือชาแบบนี้เราฝึกสติถูกต้องหรือไม่หรือแบบนี้เรียกว่าซอกแรกสงสัยทําถูกไหมครับ การฝสตินี้มาถึงการมีสติก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาถ้ามีสติก็จะรู้ว่าชาตลอดเมื่อมันมีอาการชาก็จะรู้ขึ้นมาทันทีถ้ามีสติถ้าไม่รู้แสดงว่าไม่มีสติสติจิตไปอยู่กับเรื่องงานอยู่กับเรื่องไม่ได้อยู่กับร่างกายไปอยู่กับร่างกายนี้อะไรก็ขึ้นกับร่างกายนี้จิตจะรู้ขึ้นมาทันที ความคิดไข้ควรธรรมะของความไม่เที่ยงของแต่ละวันขึ้นมาเองจะเรียกว่าเจริญสติได้ไหมครับเป็นงานเจริญปัญญาถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นการังนี่เป็นปัญญาทำไมเวลาที่จะนั่งสมาธิเกิดอาการง่วงนอนทุกครั้งอาการแบบนี้ถือว่าเป็นคนบาปไหมครับไม่หรอกอาจจะนั่งเวลาที่ไม่ถูก ไปนั่งตอนที่หลังจากรับประทานอาหารเสรยงแล้วมันก็จะง่วงถ้าอยากจะไม่งม่วงต้องราให้รับประทานอาหารผ่านไปทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือถ้าท้ดีก็รับประทานก่อนก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนั่งสมาธิก่อนที่เราจะรับประทานอาหารรับประกันแล้วไม่ง่วงแล้อย่างก็อยู่ที่สถานที่ด้วยถ้าเรานั่งอยู่ในที่ปลอดภัยมันมากจะง่วงถ้าเราไปอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยเช่นในป่าช้านี่มันจะไม่งม produit, <S <S ่วง นานที่มีก็ได้ ค, คนที่มีอาชีพเป็นทหารรับทำสงครามถือว่าหลงผิดเลี้ยงชีพไม่ชอบตายไปเป็นเดรัจฉานและถ้าฆ่าคนก็ตกนรกด้วยใช่ไหมครับถือว่าผิดมากกว่าคนรับราชาการทหารใช่ไหมครับก็มันไม่เกี่ยวว่ารับราชการหรือไม่รับราชาการความผิดมันอยู่ที่เจตนาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำความผิด ถ้าคนนี่มีโทนหนักเบาไม่บาปหนักเบาไม่เท่ากันฆ้าคนที่เรารู้จักนี่มันไม่หนักเท่าฆ่าคนที่เขาเป็นมีพระกลุ่มกับเราเช่นมีนาบานดาเงนี้หนักมากกี่ภพกี่ชาติครับพระอาจารย์คนถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วคนชั่วกับคนดีการเกิดมันถึงทําให้ชัว่วดีไม่เท่ากันครับก็มัมีเกิดมีตายมาตลอดเวลาไหครับ คนที่ถึงคิวที่จะมาเกิดเข้ามาเกิดแล้วเขาถ้าเขาปเขาป็ปคนาาปคนดีเขาเขเกิเป็นคนดีเขาก็มาเป็นคนดีต่อแล้วก็เคยเป็นคนชเคนชื่อเขาเลยมาเป็นคนเชื่อต่อการที่เราน้อมจิตไประลึกถึงพระพุทธเจ้าเทศนาให้ปัญจวคีทั้งห้าแล้วก็สวดลัคนัดสูตรน้ําตาไหลออกมาเป็นเพราะเหตุไรครับ ก็จะมีปิติขึ้นมาน้ำตาการน้ำตาไหลก็ดีขนลุกซาขึ้นมากันอย่นี้เนอาการของความมีปิติเม่มปิติเตือลูกสาวอุบัติเหตุก่อนวัยสมควรตีสามจะต้องตื่นขึ้นมานั่งสมาธิให้ลูกบุญจะถึงลูกบ้างไหมครับบุญที่นั่งการนั่งสมาธินี้มักจะไม่ได้เป็นบุญที่อุทิศกัน นนนนงมกททําาาบรตอนนี้รับราชการทหารอยู่ครับลาไปบวชได้แค่สิบวันสามารถปฏิบัติธรรมได้ไหมครับได้ก็ไปบวชที่ว่าที่มีการปฏิบัติธรรมเลยไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไปปฏิบัติทุกวันนะเป็นเป็นปกติของวัดยังปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรม นทกวั น, น, ว น, น, น่งสมาธิผงกสามถึงสี่ครั้งเราขาดสติหรือง่วงครับทั้งสองอย่างพอไม่มีสตมิมันก็จะทำให้ง่วงขึ้นมามีคำถามว่าพระอาจารย์ครับมนุษย์ต่างดาวจะบุกโลกจริงไหมครับ ไปเรียศึกษาชัมเลืองดูจิตเหมือนแม่โคชัมเลืองดูลูกโคทําอย่างไรครับก็เฝ้าดูตลอนะดเวลาดูดูจิตถ้าอรายังแต่ถ้ า, ายังดูร่างกายไม่ได้อย่าเพิ่งไปดูจิตเพราะจิตมันละเอียดกว่าง่ายเรายังมองเห็นยังมองไม่เห็นจิตถ้ายังมองเห็นร่างกายยังมองไม่เห็นร่างกายต้องดูเฝ้าดูร่างกายให้ได้ครับ ทำอย่างนี้ร่างกายเราตลอดนานให้รู้ว่าร่างกายเราทําอะไรอยู่ต่อไปก็จิตเราสงบแล้วทีนี้เราถึงจะสามารถมองเห็นจิตได้ที่นึ่การพิจารณาธรรมในธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์หมายถึงอย่างไรครับก็ธรรมมีจริญมีเสื่มขึ้นสมาที่นี้ก็มีเจริญมีเสื่มสติก็มีเจริญมีเสื่อมได้ มีคนบอกว่าสวดพระคาถาชินนบัญชรเป็นบาปจริงไหมครับไม่จริงอนะ่ะการสวดนี่เป็นบนุษย์เป็นการเจริญสติถ้าเราไปทํางานสายถือว่าผิดศีลจะขัดขวางทางเป็นพระโสดาบันไหมครับถ้าเราไม่เจตนามันก็ผิดศีลถ้าไม่ไปเจตนาก็ไม่ผิดเพราะนั่เป็นติด ลดเสียไปไม่ทันทำงานนี่มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ผิดเพราะเราไม่มีเจตนาและเพื่อความสบายใจแเ้าก็ขอชดเชยมันทำงา น, นวันเสาร์วันอาทิตย์ต่อทำเวลาที่เราขาดไปการให้มอร์ฟีนผู้ป่วยใกล้าตายคุณหมอบอกว่าจะได้ไม่ทรมานจากไปอย่างสงบอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าให้เพื่อให้ตายก็บาป ถ้าให้เพื่อรับความเจ็บปวดก็ไม่บาดต้องรู้ปรมิมาณเหมือนมีดมีอามาเอามาขีดคนเหมันก็ไม่ไม่ตายก็ยังไม่บาดแถ้าเอามาทิ้งมาแทงให้ตายนีย่ก็บาดถ้าเรารู้จิตคนแล้วแต่อยากให้ดีขึ้นกว่าเดิมต้องทําอย่างไรครับจิตของเขานจิตของเขาคนก็หนึ่งเราทําให้ดีขึ้นไม่ได้ประดีชยวช่วมันอยู่ที่เจ้าของเขาเอง มุ่งเจ้าตัวไันเราทำหน้เพียแต่จิตของเ่านั้นอกจากสอนเขาให้ทำให้ดีขึ้นได้ถ้าเขามีศรัทธาเนยมีความเชื่อในคำสอนของเราแล้วก็สอนบอกให้เขาปฏิบัติให้มากขึ้นได้แต่เราจะไปอยู่ดีไปทำจิตให้เขาดีขึ้นมาเอง น, นี่ไม่ได้จิตใครจิตของมันจิตของใครของมันจะให้มันดีเชื่อเจ้าของต้องปปเป็นลูกกระทั่เองเจตนาเป็นตัวกรรมใช่ไหมครับ มันก้เเป็นกนนรรมหรือป่ามโนกรรมเห็นไหมนะคือมนรกรรมความคิดผมนั่งภาวนามีสติรู้ตัวได้ยินเสียงดังอีทแต่พอทำงานหายไปครับพอนั่งทำสมาธิก็ได้ยินอีกครับพระอาจารย์ก็ให้นู่เฉยๆไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ทถ้านั่งสมาธิเราก็พูดโทไปถ้าเราใช้พูดโท ถ้าเดือดร้อนก็เดือดรไปไม่ต้องไปสนใจกับสิ่ ง, งต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลร้องไห้เอาไปแตะองค์พระเพื่อขอบพระคุณที่ท่านสั่งสอนจิตเป็นอะไรครับต้องมีการเพิ่มเปดีหากพ่อแม่เป็นคนพานเสียเองจะวางจิตวางใจอย่างไรดีครับ ก็แยกแยะว่าเพราะอะไรก็เป็นเพอหะอะที่เราต้องอยู่ด้วยถ้าเราต้องอยูแลท่านเชื่ออยู่ท่านเราก็ดูแลไปส่วนที่เป็นพอน่อนม่ส่วนที่เป็นคนพ้เราก็อยากไปเชื่อท่านก็ได้ท่านให้เรากินเท่าเราก็อยากไปกินท่านชวนให้เราไปเล่นการมันเราก็อยากไปเล่นเป็นต้นฟังทำแล้วทํางานอย่างอื่นด้วยได้ไหมครับไม่ควรถ้าอยากจะได้ไประโยชน์ เป็นปร้ยกับคนเนี่ยนั่งเฉยๆฟังฟังทำไปจะได้เต็มร้อยถ้าเราทําไปด้วยฟังไปด้วยเราจะได้ห้าสิบห้าสิบหัวใจเราจะต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการทําคำปการทำงานมีสุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายแล้วและทรมานมากถ้าเลือกหยุดการรักษาและการลุญยาฆาตบาปไหมครับถ้าหยุดการรักษาเฉยๆไม่บาปแต่ถ้าไปทําให้เขาตาย การที่เราฝันว่าได้เจอหรือพูดคุยปกติกับคนที่เราเคยรู้จักต่อมาเขาเสียชีวิตแต่ไม่ได้คิดถึงหรือเจอกันนานแล้วเป็นการสื่อสารของจิตที่อยู่ในโลกทิพย์ในใช่ไหมครับก็เป็นรู้เหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องที่ให้ดูตามตามความเป็นจริงเขาออกหรือว่าเราฝันใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือไม่นี่มันไม่แน่ถ้าสื่อสารกันได้ก็ต้องคุยกันได้รดเบิดไม่ได เมืนเราคุยโทรศัพท์มือถือในกครต้อนตอบมันได้แต่บางทีเราฟันหนึ่งเข้าแล้วทำให้เขาเกิดตายขึ้นมามันยังไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารกันนั่งสมาธิประจำทุกวันถ้าวันไหนนอนสมาธิได้ไหมครับนอนมันก็จะหลับมันจะไม่ได้สมาธิ เมื่อทำสมาธิจนถึงความสงบแล้วเราจะทำยังไงให้ความสงบนี้อยู่ได้นานที่สุดครับก็เน้นให้งานได้สุดอย่าพึ่งลุกถึงแม่อยากจะลุกก็อย่าพึ่งลุกให้เจริญสติต่ตอพูดโทธต่อโน้นโมต่อให้อยู่ได้นานยิ่งงานทรมานได้ยิ่งดีการเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นอย่างไรครับพิจารณาร่างกายของเราบ่อน พินิจนะร่างกายเราต้องแก่เจ็บตายแล้วก็ขยายไปร่างกายของคนอนทุกคนทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายไม่มีตัวตนร่างกายเป็นดินงน้ำลมไฟขออนุญาตครับอาจารย์จะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้คําถามใกล้หมดนะครับส่งคําถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับการที่ขอความช่วยเหลือจากบีดามารดามากเกินไปจะมีบาปไหมครับขอได้แนตะ่ อย่าไปบอดคับก็แล้วกันเมื่อว่าพ่แม่กำลังยุ่งนในการเป็นสิ่งที่เกื้อหนุกันมาตลอดเพราะถ้าเราเดิลนลร้อนจริงก็ก็เล่าให้ทัง ก, ก็ได้ส่วนท่านถ้าช่วยได้หรือไม่ได้นี่ก็อย่าไปโกรธท่านก็นแล้วกันถ้าเกิดท่านช่วยยงเราไม่ได้การเอาสาัตว์เช่นปลาสุนัขแมวมาเลี้ยงเป็นการสร้างกรรมหรือเปล่าครับก็อยู่ที่เจตนาะ ถ้า เ, าเห็นทุกอยยากลำบากถ้าเรามาเลียงดูให้เขอยู่อย่างสุขสบายมันก็ไม่บาเวลาเจอสุนัขและแมวโดนรถชนบนถนนแล้วจิตตกเศร้าใจควรจะวางใจอย่างไรดีครับว่าเราไม่ได้พิจารณาตายรักอะไรสัตว์ทุกชีวิตเกิดมาต้องแก่เจ็บ ต, ตายเป็นธรรมดา เกบวชพระเพื่อศึกษาธรรมะได้ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะในสมัยพุทธการเขาเรียกเกยอว่ามันมันเดาะใช่ไหม่ไรฮะคือถ้าเป็นเกแล้วไปอยู่ใกล้ๆ ก, กับพระซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องเพศได้เพราะว่าอาจจะทำปาราชีกันได้ว่เป็นคือทางร่างกายเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ทางจิตใจคนหนึ่งเป็นผู้หญิงีคนหนึ่งเป็นผู้ชาย ก็อยู่ใกล้ใชดกันเดี๋ยวก็การอารมณ์ขึ้นมาได้อก็จะห้ามนะไม่ให้ไม่ให้รับการสวดมนต์ทุกวันสามารถช่วยให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นได้ไหมครับทุกใจและเครียดเรื่องงานมากครับได้แต่ต้องสวดให้ให้ใจสงบให้ใจเย็นให้ใจสบาย ลูกค้าฝากของมาให้เราบริจาคช่วยน้ําพักท่วมพักใต้ลูกค้าได้รับบุญร้อยเปอร์เซ็นไหมครับแล้วเราไปทําบุญแทนเราได้บุญไหมครับลูกค้าก็จะได้บุญจากการเสียสละของนั้นไปเราไม่ได้ น, นี้เราไม่ได้แต่เราจะได้บุญจากการรับใช้เขาช่วยวเหลือรับเอาของไปส่งให้เขาอีกทีนี่อันนี้เป็นบุญกระะยณาีบุญนี้กิจากการให้ให้เราทานนี้เขาเขาเขาได้ แต่บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นี่เราได้การที่เราจะรักษาศีลห้าต้องสมาทานไหมครับไม่ต้องก็ได้เลยให้เราเนี่เจตนาก็รละกันนอกากเจตนาวันนี้จะรักษาศีลห้าก็รักษาไม่ได้เลยม่ต้องไปหาพระไม่ต้อไปหาใครมาสมาทานให้เสียเวลามันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความตั้งใจ สติสัมปชัญญะถ้าฝึกมากๆจนตั้งมั่นนอกจากจะ ก, กำจัดกิเลสแล้วจะทำให้จิตรู้ล่วงหน้าและรู้ใจคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับไม่แน่เรื่องการล่ว ง, งหน้าเนี้รู้ใจคนอืน่นนี่บางคนก็ไ ด, บ า, ไดบางคนก็ไม่ได้ถ้าได้อุปจารสมาธิก็จะได้ถ้าไม่ได้อุปจารสมาธิก็ยังจะไม่ได้ การมีส่วนออกเงินให้ทำหมันหมาแมวเป็นบาปไหมครับไม่บาปหากเงินบริจาคมูลนิธิแห่งหนึ่งมาหลายปีแล้วหากถ้ายกเลิกแล้วเอาเงินส่วนนี้ที่เคยบริจาคมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของบ้านพ่อแม่จะได้บุญเหมือนกันไหมครับได้พ่อแม่ก็เป็นบุคอลที่สมควรต่อการทำบุญถือว่าเป็นผ้าละถือว่าโลภ เงิกับพ่แม่เนี่ยูกจะได้เงิงเท่ากันได้ทำเงินกับพ่อขณะนี้นั่งสมาธิแล้วฟังพระอาจารย์ไปด้วยได้ไหมครับได้แต่ต้องต้อ ง, ต, องต้องสติอยู่ที่การฟังไม่ใช่อยู่ที่การโยนล้วลลพูดโทต้องเอาอย่างไดอย่างหนึ่งขณะที่ฟังทำเราก็ต้องมีสติอยู่การทําทรอะไร ถ้าเราฟังธรรมไปแล้วพุทธโถไปด้วยมันจะเป็นจะชนกันได้จะได้อย่างไดอย่างเนี่ยถ้าอยากจะใช้พุโทโธก็ไม่ต้องฟังธรรมถ้าไม่อยากจะถ้าอยากจะฟังธรรมก็ไ่ต้องใช้พุโทโถเอาเสียงธรรมที่ได้ยินนี่เป็นเป็นอารมณ์แทนเป็นกรรมฐานแทนเป็นธรรมานุสติลูกยังเล็กอยู่เราพาลูกไปทําบุญหยดเหรียญใส่กล่องบริจาค แต่เราเป็นคนอุ้มลูกและหยอดให้ลูกจะได้บุญด้วยกันไหมครับเขายังไม่ได้บุญเรับแต่เขาได้เรียนรู้วิธีทำบุญเอาไปเวลาเข้าโกเขาก็จะได้เวลาเขาอยากจะทำบุญเขาเาก็จะได้ไปทําของบ้านของเขาเองได้ถ้าไม่เคยสอนเขาเลยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําบุญทำอย่างไ ร, เ, รเขาวก็อาจจะไม่ทำ จิตเข้าผวังถือว่ามีสมาธิไหมครับก็มีผวังสองแบบผวังที่มีสติกับผวังที่ไม่มีสติผวังที่มสีสติก็เป็นสมาธิผวังที่ไม่มีสติก็คือการหลับผวังหลับพระอาจารย์ครับฟังธรรมกับพระบางรูปรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านเทพดูงงงวกไปวนมาแล้วไม่ตรงกับที่เรารู้มา แต่ต้องนั่งฟังเพราะลูกหนีไม่ได้ควรจะวางใจอย่างไรครับกพุโทโธไปเดือด น, นไปไม่ต้องฟังไดก็ได้นั่งสมาธิไปแทนครับดูแลแม่ที่ติดเตียงต้องทำงานบ้านไปด้วยบางครั้งให้แม่รู้ว่าไปได้ไปไกลแม่แต่ชอบสวดมนต์ดังๆได้บุญไหมครับ การสวมนต์นันก็ได้เหมือนกันถ้าสวดแล้วทำให้ใจสงบเย็นสบายเราจะฝึกใจอย่างไรให้เข้มแข็งชนะใจตัวเองชนะใจมิตรและศัตรูได้มีความทุกข์น้อยลงจะทําอย่างไรครับรกต็ต้องฝึกสติเรื่องสมาี่ให้มากทาใจให้นิ่งให้เฉยให้ได้แล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งจะ ร, รู้สึกเราจะวางเฉยได้กับทุกคน ขอพระอาจารย์ อ, อ๋อขออภัยครับคนที่เป็นพุทธมามะ ก, กะจะต้องรู้จักอริยสัจสี่ทุกคนไหมครับเทาที่เข้าใจพุทธมามะ ก, กะนี่เนผะู้ที่รู้มีรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพระพุทธธรรมพระสงฆเป็นสารนะเป็นที่เพึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องรู้คําสอนโดยหลักก็คือเมือริยสัจสี่รู้มากแปลกตอนรู้สินธราที่ปัญญาทานสินภาวนา ผมฟังธรรมมาหลายปีเดินทางไปกราบคารวะหลวงปู่หลายอาจารย์หลายจังหวัดมีหลวงตามหาบัวได้ฟังธรรมบางเรื่องพิจารณาตามฟังแล้วใจลงยอมรับความจริงถือว่ายังพอจะมีวาสนามีดวงตาเห็นธรรมไหมครับมีถ้ายอมรับควาจริงที่ท่านสอนได้ก็ใกล้ใกล้กลกลกลกลเคียงนะเพียงจะเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นจังให้การได้ยินได้ฟังนี้มันยังไม่ใช่เป็นปัญญาร้อยเอร์เ็น นอกไปกับใช้กับการปฏิบัติเจอของจริงเจงอความตายไม่ยอมรับความตายได้ก็จะมีดวงตายอีกทนหนึง่งขอพระอาจารย์ช่วยแนะวิธีทำให้ใจไม่ทุกข์กับอาการเจ็บป่วยของตนเองครับก็ต้องใช้สติทำใจให้ยิ่งให้เป็นอุเบกขาอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยให้มันเจ็บไป ั ก, ก, การอวยพรปีใหม่ได้บุญไหมครับแด่ผู้ใหญ่ได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเป็นการให้ความแสดงความจิตธรรมดีเท่านั้นถ้าอยากจะได้บุญนอกเข้าของไปให้ท่านใส่บาตรด้วยอาหารแห้งผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าวิธีการมันมีขั้นตอนลงมัน คือไม่ให้ใช้ในบาทถ้าจะถวายของที่จะให้พระฉันในวันหลังต้องฝากไว้กับลูกศิษย์บอกเขาว่ามีถวายให้กับพระเมื่อเวลาพระท่านต้องการฉันอะไรท่านก็บอกให้ลูกศิษย์จัดการมาถวายไดง่ายพระไม่สามารถรับและเก็บไว้ฉันได้เองเพราะหลังจากที่มันไปแล้วก็ต้องสละหดถ้าเป็นของแห้งถ้าเป็นอาหารก็จะแห้งแล้วสดไม่ให้ไม่ให้สะสมไม่ให้เก็บ ฝากไว้กับลูกศิษย์ได้แต่ต้องเป็นอาหารที่ยังไม่ได้ถวายถาถวายแล้วนี่พอละเกินที่ยงาต้องสละไปโดยถ่ายเดียวไม่สามารถเก็บไว้ให้ลูกให้ลูศิษย์เอากลับมาถวายใ ห, ใหม่ได้คุณสุรชัยครับก่อนนอนจะสวดนม น, นั่งสมาธิทุกวันเวลานอนก็จะภาวนาพุทโธจนหลับไปและจะไม่ฝันได้ดเลยทั้งดีหรือร้ายถือว่าปกติแล้วใช่ไหมครับ ก็ไม่ทุกข์กับต้องปกติทําเป็ฏิบัติก็เพื่อให้ใจเราไม่ทุกกับอะไรถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปแลแ้วแก่ก็ต้องก็งงถือว่าเป็นปกติแล้วตายก็ถือว่าเป็นปกติเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถอว่าเป็นเรื่องปกติไม่ทุกข์กับอะไรทําไมกิเลสถึงฉลาดมากครับอาจารย์ ปนง่วงวุนก็เลยฉลาดกันเราแต่ถ้าเราฉลาดมันก็จมันก็จะมันก็จะง่วงกว่เราได้เป็นตอนที่ทามันโ่วก็ง่วงว่ากิเลสเรามันก็จะฉลาดกว่าเราต่อไปเราต้องทําให้ตัวเราให้ฉลาดกว่ากิเลสเขากิเลสมันก็จะง่วงกว่าเราได้พระอาจารย์ครับเวลาที่เราพิจารณาธรำเช่นพิจารณาถึงความตายในอนาคตนะครับมันก็จิตก็ไม่อยู่ในปัจจุบันแต่มันก็เป็นการ วิปัสนาอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์การวิปัสนาต้องไปทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันถึงจะเห็นภาพชัดเจ น, นไม่เหมือนกับการทําสมาธิการทําสมาธิต้องการหยุดคิดให้จิตถ่านจิตไปอดีตไปอนาคตต้องไอยางคิดอยู่ไม่ต้องตัดความคิดในควาบคิดที่เกี่ยวกวับอดีตคำนี้นีที่เกี่ยวกวับอนนะาคตจิตจะได้กลับมาอยู่ที่ปัจนะจุบันเพราะจิตจะนิ่งงานต้องอยู่ในปัจจุบันแต่เวลาจะนําวิปัสนานี้ต้องไปทั้งสามเลย ต้องไปสามจุดเลยต้องไปดูทั้งอดีตดูทั้งปัจจุบันดูทั้งอน า, าคตเช่นร่างกายของเราดูเรื่องตั้แต่ตอนเกิดขึ้นมาในขณะตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วดูตอนอนาคตของมันต่อไปในที่สุดเราก็ต้องอยากหาตายถึงจะได้ปัญญาให้น้องมาได้เทียมคุณพ่อเป็นสตรอคครับช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ยอมกินยาไม่ยอมไปหาหมอตามนัดและดื้อ ม, มาก ไม่ทำตามไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกหวังดีมีวิธีปรบับใจอย่างไรไม่เครียดไม่ให้ทุกข์ครับเมื่อไหั่เราต้องอย่าไปมองว่าท่านเดื้ชีวิตของท่านท่านตัดสินใจที่ท่านจะทําอย่างนี้กับชีวิตของท่านนั้นป็นสิทธิของท่านที่เราคนรอย่าเอาหล้มเราควรอย่าตามไม่ใช่ที่จะไปทะเลาะกับท่านนั้นจะไปเอาแพฉันะของท่านถ้าเราเป็นลูกที่ดีลูกที่มีความเชื่อฟังพ่อแม่เราต้องฟังพ่อแม่พ่อแม่ต้องการให้ทําอะไรก็ทําตามถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรม ถ้าเตรียมของใส่บาตรอธิษฐานแล้วแต่ไม่ได้ใส่ของที่เตรียมเป็นอะไรไม่ครับนําไปทานต่อได้ไหมครับก็ไม่ได้บุญ น, นั่นเองถ้วเตรียมแล้วถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องเอาไปใส่บาตรให้เป็นของคนอื่งไปให้มี็นของของเราอยู่ก็ยังจะไม่ได้บุญเอามาทานก็ได้แต่ก็ไม่ได้บุญได้าแทนได้ความอิ่มแทนอิ่มกายไม่ให้อิ่มใจ ถ้าไปได้ท า, านไปก็จะได้อิ่มใจทานได้จะิ่มกายมีการทําบุญทาทานถึงเรีว่าเป็ัญหารของใจไง<ะ>ถ้าเราอาหารไปทําบุญนี่เราก็จะได้ความอิ่มใจแต่ ถ, ถ้าเราเก็บอาหาไว้กินเองเราก็ได้อิ่มกายแต่ใจไม่ใจใจไม่อิ่มใจจะหิว ทำหลายกรรมฐานจะเป็นผลดีในการหาที่ตัวเองถนัดเจอหรือจะเป็นผลเสียที่อาจทําให้สับสนกันแล้วไม่พัฒนาครับก็บางต้นก็ต้องทดลองหนิว่ากรรมฐานแบบไหนหมาะกับเราส่วนใหญ่ทั้งนจะสอนให้ใช้พุโทโธกันหรือไม่งั้นก็ใช้นมหายใจก็นั่งสมาธิหรือถ้ า, านั่งสมาธิยังดูองอมไม่น่ายัางพุโทโธไม้น่าก็ให้การสวดมน อันนี้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติโดยทั่วไปแต่ถ้าเรามีจลเนตรบางอย่างที่เราอาจจะต้องใช้กรามถานพิเศษกันนั้นก็ได้บางคนต้องนึกถึงความตายถึงจะทําใจให้สงบเราก็ระลึกถึงความตายนะบางคนก็รึกถึงอาการ32ของร่างกายหรือระลึกถึงอาการใดอาการหนึ่ง <c oughs> เช่นโครงกระดูกเรก็ <c oughs> เพ่งอยู่กับโครงกระดูกเราทำจิตให้สงบ อ, อันนี้ก็เป็นกรรมฐานได้เหมือนกันแล้วแต่เาไปศึกษากรรมฐานดูมีอยู่ 40, 40ชั้นนิดด้วยกัน อาจารย์ครับอย่างตอนเพ่งโครงกระดูกนี้เป็นปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ก็เพ่งเฉยๆก็ดูเฉยๆไม่ก็พูดเท่าเนี่ยเราไม่คิดว่ามันเป็นเราไม่อยากไปคิดอยากไปวิเคราะห์วิจารว่ามันมันมันมันเป็นอะไรเพียงแให้รู้ว่ามันเป็นโครงกระดูกอย่างเดียวมันการดูลอาดูเราแล้วก็ไม่ไปวิพากวิจารแล้ว่าดูเฉยๆ เวลาที่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลต้องนอนนิ่งๆฟังเสียงเครื่องมือแพทย์แล้วจิตใจบีบคั้นต้องวางจิตอย่างไรครับเราไม่ได้ฝึกสติให้จิตนิ่งเฉยๆย ม, ยมันยังยังนิ่งมันยังอยากนคลื่นอนมาวอยู่มันก็เลยทุกข์ถ้ามันอยากจะให้มันไม่ทุกข์ก็ต้องใช้สติพุโทโธอยู่กับการบริกรรมพุโทโธไปลุกโสดหมดไปอย่าไปสนใจกับอาการนะครับ หากจะเริ่มนั่งสมาธิควรเริ่มอย่างไรครับเริ่มด้วยการสร้างสติก่อนจะเริ่สติให้มากๆนั่นแต่เตงขึ้นมาก็ใช้กรรมริการพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะถึงเวลาหลับถ้าเราสามารถจะเริพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องหลังไปเราก็นั่งหลับตาแล้วก็เริ่มกบริการพุโทโธไปในขณะที่เรานั่งใจเราก็จะสงบได้สมาธิขึ้นมา ตั้งของเส้นไหว้หน้าสารพระภูมิท่องอีมินาได้ไหมครับจะทาไม่ทำก็ได้แต่ไม่ได้บุญนะม่ไมันเป็นมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่มีไม่มีไม่สมงผลณ์ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่ไรไม่มีผุญหรบาปอย่าดูลมหายใจทุกเมื่อที่นึกได้บ่อยๆเป็นบุญไหมครับเป็นสติ เวลาภาวนามีความสุขสงบใจเย็นอยู่ได้นานหลายวันแบบนี้ใช่เป็นอุปทานไปเองหรือเปล่าครับถ้าเป็นสมบูรณ์จริงมันก็ไม่ใช่เป็นอุปทานถ้าเป็นคิดปลูกแต่งไปเอมันก็เป็นอุปทานตั้งที่มันไม่เป็นเราต้องมีใจแย่ๆว่าเราปลูกแต่งไปแล้วว่าเราเป็นเป็นของจริงให้แม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นบาปไหมครับ ท่านได้รับการดูได้อย่างดีก็ไม่บาปบางทีเราไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ท่านอยู่กับเราเมื่อเราอยู่ท่านได้ท่านเลาไว้ฝากไว้กับสถานที่ที่เขาดูแลยูแลอย่างดีให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วเราก็ไปเยี่ยมเยียนตามโอกาสอันนี้ก็ไม่บาปอันนี้ก็เป็นการทํำโดยเฉพาะถ้า เ, าเป็นคนเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราก็จะได้ด พระบินทบาทเฉพาะที่ร้านค้ามีคนซื้ออาหารจากร้านค้าใส่แล้วกลับวัดเลยโดยไม่โปรดบ้านอื่นเลยแบบนี้ท่านทำถูกไหมครับมันแล้วแต่สภาพของสังครมทุกวันนี้คนไม่ค่อยอยู่บ้านกันคนเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกไปทำงานกันคนที่อยากจะใส่บาตรเขาก็จะไปซื้อของที่ตลาดพระท่านเดินตามบ้านก็ไม่มีใกรใส่บาตรท่านก็ต้องเดินตามโยมมที่ตลาด เราไปที่ตลาดก็มีคนนอใส่ยบ่ากันเยอะแยะลยหมดเลยงั้นก็ไม่ลองไปที่บ้านเราสมัยนี้เราเคยไปอยู่วัดโบราบางครั้งไปพักช่วคราวนี้เราไปเดินตามมาแว้งมาไม่มีใครเข้าไปปรปตูมาออกมาใสาบา่บาาเนี่บอันจะมีบ้างนานๆจะมีสักบ้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นเดินที่ตลาดโอ้ยมีคนยืนรอใส่ยบ่าเยอะแยะเพะนั้นต้องดูสภาพของสังควมว่าเป็นอย่างไร มันเปลี่ยนไป ส, สังคมทั้งวันนี้มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนทุกคนอยู่บ้านทำอาหารกินที่บ้านตันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านทำอาหารกินที่บ้านเป็นแต่นอนพักที่บ้านตอนเช้าก็ออกไปทำอาหาร ก, กินข้างนอกไปที่ทำอาหารก็เลยต้องปรับสภาพพระอาจารย์ครับตอนไปวัดบวร อ, อย่างนี้พระอาจารย์ต้องบินธบา ต, ตามพระหรือว่าบินองค์เดียวเลยครับอที่นั่นก็ให้เป็นของใครของมัน ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการเป็นจับเป็นเป็นสายเป็นอะไรถ้ามีบางสนอยากจะเป็นตบายกันเองครับแล้วฉันรวมกันหรือว่าฉันแยกกันครับ อ, จอาจารย์แยกกันก็ปฏิคายปฏิมันไปโอ้เท่า บ, บินไม่ได้ก่อนไม่ได้ก็อดบาิทีถ้าถ้าไม่อยากที่บินตบ่ายก็ต้องาทานพาะก่อนนะแล้วขอขอเดินตามไปด้วยได้ไหมบางที่แปวัดรัวใม่ใม่บางทีก็ ต้องถามพระที่อยู่ใกล้มาไปปฏิบัติที่ไหนไเราไปด้วยได้ไหมจะได้รู้ทางตางเขาไปอทีครับการบริจาคเงินทําบุญวัดโรงเรียนโรงพยาบาลอย่างไหนได้อานิสงส์สูงสุดครับคือได้บุนเท่ากันถ้าปริมาณของเงินที่เราบริจาคไปเท่ากันแต่ประโยชน์ไม่ต่างกันโรงพยาบาลก็จะทําประโยชน์อย่างหนึ่งโรงเรียนก็จะทําประโยชน์อย่างนึมงมันก็จะทําประโยชน์อีกยอย่าง อันนี้ไม่เหมือนครับเราจะสวดมนต์ให้คนป่วยติดเตียงฟังทุกวันเขาจะรับรู้ไหมครับถ้าเขามีสติเ้าก็วับรู้ได้แต่ถ้ า, าไม่มีสติเ้าก็จะรับรู้ไม่ได้ให้จิตกับสมาธิอยู่ด้วยกันคืออย่างไรครับ อ, อ๋อคพาว่าจิตกับสมาธิ น, นี่มันเป็นคำเดียวกันนะ สมาธิก็คือความสงบของจิตทําจิตให้สงบนั่นเองเราทำสมาธิให้จิตอยู่กับสมาธิก็คือให้จิตอยู่กับความสงบนั่นเองเป็นพระโสดาบันห้อยพระได้ไหมครับตอนนี้ยั ง, ยงไม่ห้อยนะครพระโสดาบานันในเชื่อของเรื่องเครื่องรางของขัลังจะเชื่อกดแห่งกรรมเพียงอย่างเดียวจะยักเชื่อความจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตาย และไม่มีใครจะเป็นจะต้อ ง, งใช้เครื่องมือของใมาป้องกันถึงนี้ป้องกันได้ก็คือกดแห่งกรรมถ้าทํากรรมดีแล้วกรรมดีก็จะป้องกันไม่ให้ใจทุกข์การสวดมนต์ข้ามปีทําให้ได้อนิสง์มากกว่าสวดปกติไหมครับเท่ากันมีพระฝรั่งมาบวชกับพระอาจารย์แล้วไปตั้งสํานักที่ต่างประเทศไหมครับ คือเริ่มตอนที่ให้ทานมาบวดกัาเนีวนะ่ว่าเราไม่เป็นเร้าประชาการมาอยู่ด้วยกันที่บนเขาเชี่ยววันนี้ก็มีอยู่เราได้ทำบวยแล้วท่เข้าไปที่นิ่นต่อไปท่านจะไปตัง้งสำาหน่งหรือม่อันนี้บางทีก็ไม่สราบเหมือนกันแล้วแต่เรานับถือศาสนาพุทธแต่นับถือเทพเจ้าต่างๆด้วยผิดบาปไหมครับ คือการนับถือนี่จะนับถือใครก็ได้นับถือพ่อแม่ก็ได้นับถือครูบาอาจารย์ต่าก็ได้ ไ, ไ, ดไม่บาปอย่างใดอยู่ที่ว่าถ้าเขาสอนให้เราทำแล้วทำในสิ่งที่เป็นบาปแล้วเราทาําตามมันก็เป็นบาปอย่างใดแล้วก็ไม่สอนให้เราทํำบาปมันก็ไม่บาถ้าเราไม่ทําตามครับถ้าเขาสอนให้เราทํำบาปแล้วเราไม่ทําตามเขามันก็ไม่บาปอย่างใด พ่อแม่เสียไปหลายปีแล้วแต่ทําไมถึงคิดถึงท่านเหมือนเพิ่งผ่านไปวางใจอย่างไรให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ครับก็ต้องอยอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาถ้าลูกน้องใกล้ชิดต้องกเสียณอายุเราต้องวางใจอย่างไรครับไม่ต้องยอมรับความจริงไงมาถึงเวลาเขาที่เขาจะต้องหยุดทางนาน จะไปใส่บาทหลวงพ่อที่ตลาดตอนเจ็ดโมงทันไหมครับอาจารย์ก็เรื่องหกโมงเช้าถึงประมาณเจ็ดโมงก็กว่าอย่างวันนี้ก็กว่าจะเสร็จก็เกือบเจ็ดมงคึ่งถ้าวันเสาร์ที่นี้จะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งด้วยกันเรื่องหกโมงจะเสร็จประมาณเจ็ดโมงคึ่งแล่ถ้าวันธรรมดาก็อาจะชั่วโมงสินาทีเรื่องประมาอยากมีบุญมีวาสนามีรถมีบ้านครับต้องทําอย่างไรครับ ก็ต้องสร้างเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นอยาจจะมีบุญก็ต้องทําบุญอยากจะมีรถกร็องหาเงินทุกในไตรักกับทุกในอริอรยสัจสี่ต่างกันอย่างไรครับโดยเดียวกันโดยเดียวกันทุกเราไม่เห็นไตนะทุกเราเพราะเราอไม่เห็นอนนิจจ์แหงอ น, นัตตาเราก็อยากใช้เป็นนิจจ์เป็นอนตตา พอไม่เปน็นก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทุกข์พวกความอยากในยุทธศาสตร์ใใจที่ทุกข์ก็ทุกข์พวกความอยากอย่างได้นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่สวดมนต์เลยได้ไหมครับได้ถ้านั่สมาธิได้เลยก็นั่งไปเลยไม่ต้องมาสวดให้เสียเวลาที่สวดก็บางทีนั่งนั่งสมาธิยังไม่ได้ใจยังฟุง้งอยู่ก็ใช้การสวดมนต์มาช่วยนะครับความฟุ้ก่อน พอหายฟุก้ก็มานั่งตลาดที่ต่อได้ลูปพยายามฝึกสติรู้ตัวทุกวันและฝึกวางใจเป็นกลางๆฝึกไม่สุขไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ฝึกไม่รักไม่ชังสุกัคือไม่เกิดจากความรับความชังขอเนาอยาไปรักอย่าไปชังให้เฉยๆไว้เห็นอะไรที่ชอบก็อย่าไปรักเห็นอะไรที่ชังวะเห็นอะที่ไม่ชอบก็อย่าไปชัง นับเขาเท่ากันรับกับสิ่งที่เราชอบรับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่าไปมีต่างหาความอยากถ้ารักเรามันจะอยากให้มันเป็นของเราถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปพอไม่อเป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะทุกขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เฉยๆเราก็จะไม่ทุกถ้าเราไม่รักไม่ชอบ พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้ได้รับแต่สิ่งดีๆทุ่มเทและเสียสละด้วยความรักถือว่าเป็นผู้มีบุญไหมครับก็ไม่บุญแต่ก็อาจจะอาจจะไม่รอบคออไม่สอนใ ห, นใหนล้ลูก เ, เจอกับความทุกข์บากเวลาที่ลูกเข้าไปเจอความทุกข์เขจะไม่เลยูู้ดคุยกันในบางทีพ่อแม่ก็ต้องอย่าตามใจลูกมากจนเกินไปอยาให้ลูก ม, มีแต่ความสุขในอย่างเดียวต้องยให้เทุกข์บ้างบางครั้งบางเวลา บางทีเขาจะได้รู้ว่าในโลานี้มันมีนทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วเขาจะได้รู้จักทําใจลพบพับผูกอับทุกข์ได้เอาน้ําขวดใส่บาทและใส่ธนบัตรติดที่ขวดน้ําด้วยตอนถวายได้บอกว่าแทนของสังฆทานได้บุญไหมครับได้แต่วิธีการถวายต้องฝากคำลูกศิษย์ไว้ถ้าเป็นเงินทองถอยกับพระโดยตรงไม่ได้ อานิสง์ของการสวดธรรมจักรกับปวัตนาสตรคืออะไรครับถ้าสวดแล้วเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาถ้าสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายก็จะได้สติอย่างเดียวสุบุรี่ผิดศี่ห้าไหมครับไม่ผิดจริงหรือเปล่าครับที่ศพตายแบบหน้าผ่องใสจะไปสุขติหรือแบบหน้าดำจะไปทุกขติครับอาจารย์ นี่เคยถานมาแล้วเมื่ันก่อนก็เป็คนคำถามแบบนี้ไม่เนาะมันไม่ได้ที่หน้าตามันอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทำไว้ว่าไหนมากกว่ากันถ้าคนหน้าหน้าหน้าคําตายไปก็ต้องไปอาบายสิถ้าท่านอยู่ที่หน้าวันที่มีเหวี่ยงขานี้ก็ต้องบายบายทั้งหมดมันอยู่ที่บุญหรือที่บาป ท, ที่เราทำไว้ ลูกเป็นทุกข์เหลือเกินครับจากภาวะซึมเศร้าที่แฝงอยู่ครับอาจารย์พอใจเร า, าอยากเราอยาก่าไม่ได้อย่างสิที่เราอยากแล้วก็เสียใจเศร้าใจขึ้นมาต้องลดวความอยากบุญฝึกสันโดษยินดีตามตามีตามเกิดแล้วควารซึมเศร้าก็จะหาไปเขาคอมเมนต์มาตอบว่าลูกต้องใช้มรณสติเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้ครับก็ใช้อะไรก็ได้ถ้าทําใจให้ให้สงบได้ให้หาเศร้าได้ก็ใช้ได้ ตั้งใจทำบุญอุทิศให้เหล่าทหารสละชีวิตเพื่อแผ่นดินด้วยทําบุญใส่บาทและตรวดน้ําให้และสวดบุญนี้จะถึงเหล่าทหารผู้กล้าไหมด้วยความตั้งใจและตั้งจิตครับผู้ที่รอดรับไปแล้วเน่ก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะมารอรับหรือเปล่าถ้าเขาต้องไปตามบุญตามบาปของเ ข, เขาก็ไม่มารอรับแต่ถ้าเขายังอยู่ในสภาพที่รอรับได้เขากาจะนอนรับอยู่ก็ได้ถ้าเราอุทิศไปเขาไปได้หรือ นำเข้าสารไปถวายให้วัดทุกปีเพื่อที่จะให้แม่ชีหุงให้พระอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ผลของสมาบัติคือฌานแปดใช่ไหมครับสมาบัตินี่มันมันเยอนอกฌานเึ้นไปขั้นหนึ่งเนีไม่ ว, มว่าเชื่อสัญญาไวดีตานี่รสมาบัติ คือการดับของของกันทั้งหมดเลยของหน้ามาขันทั้งหมดทั้งวิทยานั้นสัญญาด้วยต่างจาก ต, าต่างจักชาติาาแปดชาติแปดเนี่ยไม่ไดดับเวทนาไม่ได้ไไนนดับสัญญาเท่าที่เข้าใจนะการทําบางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับควรใช้ผ้าขาวหรือผ้าที่ย้อมสีแล้วครับก็ไม่มีข้อ บ, บังคับจะใช้ผ้าแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นต้องการเป็นผ้าที่เพื่อให้ผ้าไปตัดก็จะนิยมถอยผ้าเป็นสีขาวและผ้าทีนจะไปตัดชัาย้อมของท่านเองแต่สมลดนี้เนื่องจากว่ามันก็มีผ้าที่สําเร็จที่ย้อมมาแล้วก็สามารถถอยได้เช่นเดียวกันไม่มีข้อห้ามใดละกามก่อนหรือทําสมาธิก่อนครับอาจารย์ก็ต้องละก่อนด้วยแล้วก็ละหลังจากทําสมาธิด้วย คือการละ ต, ตอนตอนต้นมันจะัะไม่ได้มากเช่นเธอศีลแปดนี่ก็ะละกรรมในระดับของศีลไปก่อนแต่ใจอย่างเด็ดยังคิ่ถึงกาวอยู่แต่เราอย่ห้ามไม่ให้มันออกมาทางกายและวาจาแล้วก็เข้าไปทําสมาธิเพื่อละให้มันเห า, หเอายออกไปจากใจอย่างสิ้นเชิงต่อไปเป็นการละเป็นขั้นๆไปขั้นตอนการละทางกายทางวาจาแล้วก็เข้าไปทําสมาธิให้มันนิ่งสงบ ก็จะรัดทางใจได้แต่ขั้นสมาธิก็ยังรับได้แบบชั่วรคราวพอจากสมาธิมาการก็ยังกลับมาได้ไม่ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดการมได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาต้องใช้อสุภะก็จะสามารถตัดกรรมได้อย่างถาวรมันมีสามขั้นเลยกัขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญา ฝันว่าพี่ชายที่ตายไปแล้วมาบอกเลขเอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกเอาสตางค์ไปทําบุญงมงายไหมครับถ้ า, าไปทําบุญก็ไม่งมงายนะครับเป็นคนชอบทําบุญด้วยปัจจัยมากแต่โดนคนพูดว่าทําบุญเยอะก็ได้บุญเท่ากับคนทำหนึ่งบาทรู้สึกใจทอมากเลยครับควรจะวางใจอย่างไรครับคือเรื่องเงินปริมาณเงิ น, นของของการทําบุญนี่เราไปเปรียบเทียบของแต่ละคนไม่ได้ เพราะคนเรามีทรัพย์สินไม่เท่ากันคนมีทรัพย์สินน้อยก็ทําน้อยก็อาจจะได้มากกว่าคนที are, diving, ่มีทรัพย์สินมากถ้าเราทําทําบุญด้เท่ากันงั้นเรื่องล่านี้เราไม่ต้องไปกังวลแต่ละคนมันมีทรัพย์สินไม่เท่ากันเขาทำไปตามกําลังของเขาเช่นคนสองคนทาบุญร้อยละสิบเท่ากันแต่ปริมาณเงินอาจจะไม่เท่ากันแต่ก็จะได้บุญเท่ากันคนมีร้านหนึ่งทําบุญร้อยสิบก็ต้องทําแสนหนึ่ง คนที่มีแสนทำาุญบ้างสิ่งก็ทำแค่หมื่นเดียวก็จะได้บุญเท่าครับคาถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับการที่เราชอบคิดกังวลใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่พยายามปล่อยวางแต่ก็ทำยากมากติดตามฟังพระอาจารย์ตลอดวันปกติทำงานก็เปิดดูย้อนหลังเสมอเพื่อพยายามจะปฏิบั ต, ติตนให้ได้ขอคาแนะนาเพิ่มจากพระอาจารย์ด้วยครับเราไม่พิจารณาหน้าตาคือ สภาพที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับได้เป็นเป็นธรรมชาติเป็นเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกงน่้ ง, งไม่มีใครควบคุมบังคับได้งั้นเราต้องหัดท่าเรื่องฟังแพงเชเซราเซราอย่องนเราจะเข้าใจความหมาย w h ร t ever will be w อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วเราับใจให้เป็นสันเดอ เขา ย, ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะปล่อยวางได้ขออกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ441คนในยู531ในคลับ7ใน TikTok 464ครับรวม 1,442 คนครับอ่านคำถามแรกเวลา20น7นวันนี้อาจารย์ตอบไป148คำถามครับผม ก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากกันน้อยสําหรับการสนทนาธรรมหรับคืนนี้ก็คิดว่าผมสมควรแก่กุลาขอให้ท่านจงนํเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพราอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอฟ้าธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุการเท่าวันไดก็คงจะได้พบกันอย่างเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับาต่อพระพุพระอาจารย์ครับผม